พระใหม่ทั้งพระใหม่พระเก่านะั่นน่ะมาศึกษานะมาศึกษามาปฏิบัติมาทัศนศึกษาก็ให้ดูตาดูหูฟังใจสำเร็จสำเร็จ ก, ก็คือไตรตรองเมื่อได้เห็นได้ยินได้ฟังจากนั้นก็ปฏิบัติ แต่ตามไม่จริงอยากจะให้ภาวนานะั้นะมากกว่าอย่างอื่นเพราะเราหาโอกาสมาอยู่ในป่าดงพงไพ่ยอย่างนี้ปัญหาโอกาสได้ยากไม่ใช่ว่าชีวิตของนักบวชคืออะไรเราต้องแยกแยะให้ออกต้องไตร่ตรองแยกแยะให้ออกชีวิตนักบวชท่านให้สู้กับใจตัวเอง ให้เราใ ห, ให้รู้จักอย่างนั้นถ้าเราเรารู้จักสนามรบเราให้รู้จักสนามรบของตัวเองเราจะรู้จักที่รบประกานใดถ้าว่าเราไม่จักไม่รู้จักสถานที่รบอบสู้รบแล้วขนาดเราเข้าไปหาฆ่าศึกศัตรูแล้วเรายังหันหลังให้ฆ่าศึกศกัตรู ตบต่อยตีเป็นเป้าให้ฆ่าศึกศัตรูอยู่เพราะเหตุไรเพราะเราไม่รู้จักสถานที่จะสู้รบอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรามาอยู่ในป่าดงพงไพมาอยู่วัดอย่างนี้วัดป่าอย่างนี้จุดสำคัญจุดใหญ่หรือว่าจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั้นที่ท่านให้พระสาวกสากยบุตร พุทธชินโนรถคือลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในสถานที่อย่างนี้ท่านให้มาปฏิบัติยังไงให้มาสู้อย่างไรกับตัวกิเลส น, นะเพราะฉะนั้นพวกเราให้ให้ศึกษานะให้ศึกษามันทางโลกกับทางธรรมมันต่างกันนะทางโลกต่อไปอยู่ในสถานที่ใดเราจะไปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการเกษตรเรื่องเที่ยวเกี่ยวกับการค้า เดี๋ยวกัเกี่ยวกับ ก, บการประสานงานเกี่ยว ก, กับการบัญชีอย่างเนี้ยเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เหล่านั้นไปด้วยเพื่อจะได้ไปทํางานในจุดที่เขาต้องการจะให้ทําอย่างนั้นแต่จุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าให้พวกเรามาทำมาทำยังไงทน่างาว่าพวกเราถือปกปกกงปากกาถือจอบถือเสียมถือ สมุดตีนสอมาที่ทำงานมาทำอย่างนี้ไม่ถูกมาอย่างนี้มันต้องมาดูใจของตัวเองดูใจคือใจมันคิดเรื่องอะไรเนะี่ยถ้าเรามาอยู่อย่างนี้เราจะรู้ได้นะถ้าเราอยู่กุฏิของของเราแล้วเป็นยังไงใจของเรามาอยู่ในที่นี้อันดับแรกมันก็ต้องกลัวนะมันต้องมีกลัวเพราะมันอยู่ต่างถิน่นพอได้ได้ยินเสียงอะไรขึ้นมาก็กลัวได้ยินเสียงกอกแกกก อะไรมันก็กลัวจะไ่รู้เสียงอะไรเหมือนกันโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งมันกลัวในสิ่งที่มองไปเห็นถึงจะไม่เชื่อในใจว่าผีมีแต่ใ น, ในใจมันก็คิดเอ๊ะเขาว่าผีมันมีเอ๊จะเป็นผีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็คือความกลัวขึ้นมาในจิตใจแล้วจากนั้นก็กลัวความมืดบังกลัวสิ่งแวดล้อม บ, บังนี่แหละ คำว่ากลัวคำนี้มันมาจากไหนใครเป็นคนกลัวเอ้ยพระพุทธเจ้าให้ดูจุดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านไปอยู่ในป่าถึงหปีเนี่ยท่านไปดูจุดนี้แหละคือดูความคิดหรือความนึกคิดนะ่ถ้ามากกว่านั้นเถอะนี่พออยู่ไปอยู่ไปเถอะนี่มันว้าเวได้เถอะนี่ ว, ว้าวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมคิดถึงบ้าน คิดถึงคนนู้คิดถึงคนนี้เหมือนกับเรายัางไม่เคยไม่เคยอยู่กับเขาอย่างนั้นนะคิดถึงเขาแต่ที่แท้พอไปแล้วก็โอ้ตายเราคิดทําไมมันก็อย่างเก่านั่นแหละทําไมกิเลสจึงหลอกตัวเองขนาดนี้นั่นแหละกิเลสเนี่ยมันมันมีหลายร ะ, ะดับเลอกเกินในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใหม่เนียพวกผ้าใหม่ผู้ที่มาใหม่น ให้ดูให้ดูใจตัวเองให้เอาชนะให้ได้ถ้าเราชนะใจตัวเองได้แล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่เด้อทีนี้ในจั ก, กราวาลเนี่ยอยู่ได้ทั้งนะั้นแต่ถ้าว่าเอาชนะใจตัวเองไม่ได้มันจะหลอกตัวเองอทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งภพทั้งชาติชาติหน้าเกิดมามันก็หลอกอีกเห็นพ่อไฮแลนดมันเคยหลอกมาแล้วกิเลสตัวนี้เพราะนั้นพวกเรานะมาอยู่ณนะสถานที่นี่ให้ดูใจนะดูใจคืออะไรกลางวันมากระเดินโยกงบ ดูใจของตัวเองคิดเรื่องอะไรขณะ น, นี้ให้มีสติให้มีสติกับใจตัวเองให้มีสติในความคิดของตัวเองว่าเราคิดเรื่องอะไรในขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดการก้าวเดินไปที่ไหนเรามีสติมีอารมณ์อะไรแป๊บเข้ามาเราก็ต้องดูเะมันคิดเรื่องอะไรให้มีสติมันได้ประโยชน์อะไรมันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรหยุดคิดนะ ก็เอาใจให้อยู่กับตัวเองอยู่ตลอดสติอยู่กับตั ว, ตวเองอยู่อยู่ตลอดสติสัมปชัญญะเน่ยสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอย่าไปส่งจิตออกนอกถ้าส่งจิตออกไปข้างนอกแล้วไม่มีที่สิ้นสุด เ, ออเดี๋ยวกระเรื่องนั้นเดี๋ยวกระเรื่องนี้เดี๋ยวกรเรื่องนี้เดี๋ยวกรเรื่องนั้นมีตหาเรื่องมาใส่ตัวเองตัวเองก็เลยเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในจิตในใจหาความสงบไม่ได้ เพราะนั้นอย่าไปส่งใจออกไปข้างนอกให้ดูใจของตัวเองถ้ามันจะออกไปตัดออกอารมณ์ที่ได้ยินทางหูทางตาอะไรมาไม่ต้องคิดเราไม่ได้มามุ่งหวังเพื่อสิ่งเหล่านั้นเรามามุ่งหวังเพื่อปฏิบัติธรรมเรามามุ่งหวังเพื่อดูใจของตนเองเรามามุ่งหวังเพื่อชําระกายมาชําระใจของตัวเองให้หมดจดจากกิเลสไม่เราไม่ใช่ว่าเราจะมาแบกมาหาม มาเอาภาระในสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่จิตใจเราจะอยู่ไปนานสักเท่าไหรเดี๋ยวนี้เรามีอายุเท่าไหร่แล้วเรารับประกันได้ไหมว่าชีวิตของเราจะยืนยาวไปสักเท่าไหร่พรุ่งนี้มะลือ น, นี้คนหนุ่มตายเป็นไหมเด็กตายเป็นไหมเป็นหนุ่มตายเป็นไหมไวัยกลางคนตายเป็นไหมแก่ตายเป็นไหมชะลาตายเป็นไหมแต่ผลในสุด ไม่เหลือสักคนตายด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสิ่งใดก็ตามเราจะพยายามทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราจะประกอบคุณงามความดีให้ดีที่สุดสิ่งไหนสิ่งไหนที่มันเห็นว่าไม่ถูกต้องเราจะวดเว้นในสิ่งเหล่านั้นเพราะชีวิตของเราน้อยนะักไม่รู้ว่าจะไปวันไหนแต่ไม่เหลือสักคน นี่สิ่งเหล่านี้เราต้องคิดไว้ในใจอยู่เสมอถ้าเราไปอยู่นะักสถานที่ใดทีมใดถ้าเราเป็นฆราวาสเราต้องคิดอย่างนั้นในเมื่อเราเป็นพระเราก็ให้รู้จักสนามรบสนามรบคือเดินโยกรมนั่งภาวนาดูใจของตนเองทั้งวันทั้งคืนหลวงพ่อว่าเนี่ยพวกเราต้องเจอแน่แน่เพราะหลวงพ่อเคยเจอมาแล้วหลวงพ่อเองเอาเรื่องของหลวงพ่อนะมาพูดให้พวกเราพวกเราทั้งหลายฟัง หลวงพ่อเจอมาแล้วจึงได้เอามาพูดให้ฟังเเพราะนั้นอย่าให้มันหลอกตอนเองต้องเอาชนะให้ได้ต้องดูดูที่ใจปล่อยวางที่ใจมึงจะไปคิดไปอะไรแนตะ่ใส่ภาษาพ่อคุณลามมึงใส่ใช้ภาษาพ่อคุณลามเล้วนะเนี่ยมึงกูเลยว่างั้นเถอะมึงคิดไปทําไมมึงคิดว่ามึงจะไม่ตายนะเหรอต้องใช้ ต้องใช้ไซส์ภาษาพ่ะขุณลามครูมันว่างั้นนะมันจ ะ, จะถอยได้กิเลสถ้าไม่งั้นโอ้ยกิเลสมันเดียบเดือบเอาเย่าบเอานะรับพรนะตอนนี้นะหลวงพ่อให้พร อ, อวันนี้ก็ให้ความคิดแก่พระทุกทุกท่า น, น่ะเป็นแนวความคิดอชีวิตประจําวันควรทําอย่างไรสนามรบของกิเลสสนามรบของพระคืออะไรต่อเราต่อสู้กับอะไรจุดมุ่งหมายของเราที่มาอยู่วัดมาบวชที่วัดเนี่ย มีจุดมุ่งหมายอะไรพวกเราต้องดูจุดมุ่งหมายนะทุกคนมีเป็นข้าราชการงานเมืองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตำรวจเขาก็เตรียมไปฝึกซ้อมอหยุดอาวุธสืบสอบสวนอะไรเขาก็เตรียมพร้อมเป็นทหารก็ทนายเขาจะทำยังไงพิ่ภากษาอายการเขาทำางไงบกบัญชีเขาทางไงพวกทรามาค้าขายทยางไงเขาต้องรู้จากหน้าที่ของเขาทั้งหมด อันนี้หน้าที่ของพระเนี่ยคืออะไรเนะี่ยท่านหน้าที่ของพระไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองโอ๊ยมาแล้วไม่รู้จะทํำยังไงเอามากัมานอนอยู่เฉยเฉยไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละกิเลสมันตีแล้วนะกิเลสมันตลุมบอลก็เลยตัวเองยังไม่รู้จักยังหันหลังให้กิเลยังไม่รู้จักจะจะลบที่ไหนเพราะงั้นอที่แท้มันจนร้องโหยร้องไห้ก็ยังไม่รู้จักอีก ว, ว่าหวีอ้างวางังเงียบเหงาซึมเศร้าก็ยังไม่รู้อีกว่ากิเลสมันมาทางไหน ผลที่สุดก็นั่นแหละจนตีจนกิเลสถลม่มถลกออกไปนั่นน่ะก็ยังไม่รู้อีกเพราะเหตุไรเพราะว่าไม่รู้จักสถานที่เพราะมันสรุปแล้วก็คือแบบพูดแบบง่า ย, ายๆก็เพราะมันเซ่อเพราะอวิชชาตัวความเซ่อความโง่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ตั้งใจสู้นะพพเพราะพระเ้าท่านไปสู้ไนดะ้ สู้กับพญามารนพยพญามารคืออะไรนะเนี่ยมีหลายอย่างพญามารสู้กับพระพุทธเจ้านางราคะนางตัณหานางอรดีเนะี่ยสรุปแล้วก็คือกิเลสนะพนยพญามารกนคืออะไรนะโทรสะโมหะราคะโทสะโมหนะเนี่ยพระพุทธเจ้าสู้อยู่ตังหปีอยเอาชนะได้นะพวกเรามาสู้เพียง6วันเจวันแทบไม่ไหวแล้วงั้น วันนันพวเราต้องสู้นะมาปฏิบัติให้ภาวนาให้มากๆนะให้สติอยู่กับตัวเองนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปที่ไหนเวลาก้าวก็พุโทโธเวลานั่งก็พุโทโธเวลานอนก็พุโทโธไม่ต้องคิดดอกไปคิดไปอย่างอื่นถึงวันมันได้ไปมันได้กลับเองในขณะที่อยู่ให้ภาวนาให้มากนะ